ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปูติญาณในวันนี้คงเป็นการตอบคาถามของครูสป อ, อ, อ, อีกเช่นเคยครูถามว่ามีความรู้แต่ไม่มีศีลธรรมทำอย่างไรบ้านเมืองจะอยู่รอดและอีกนานเท่าไหร่ศีลธรรมจะเข้าไปมีบทบาททางการศึกษา คือว่ากันตามความเป็นจริงถ้าเรามองกันด้วยความยุติธรรมนะก็คนก็มีสินธรรมกันพอสมควรแต่ว่าคนไม่มีสินธรรมเขาก็แสดงอาการในทางที่ไม่มีสินธรรมออกมาปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นการศึกษาที่จัดกันนั่งจะให้ได้ผลร0อเปอร์เซ็นคือสมบูรณ์วิชาจรณะ ดาวชินธรรมจัญยาเนี่ยที่จริงมันก็ยากเพราะว่าคนเรามีพื้นฐานอะไรแตกต่างกันเติบโตมาในทํามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแร่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องรีบเร่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือคุณธรรมควรจะมีมากพอที่จะท่านทานต่ออารมณ์ที่มากระแทกใจ มาให้จิตใจอ่อนไหวไปกับอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเราคืนอยู่ในสภาพนี้ผลลัพธ์ท้ายบันแก้ปัญหาเรื่องการเรอาละเอาเปรียบการคอรับชั่นคงกินการช่อดชนในลักษณะต่างๆตลอดถึงการตามาหากินในทางไม่สุจริตนี้มันมีมากเกินกายเป็นหน้าเป็นห่วงแต่คิดตั้งปเปอร์เซ็นที่จริงนี่มันเหมือนกับโคลนที่ไป เพื่อนผ้าขาวนะครับมันเพื่อนไม่มากหรอแต่ว่าผ้าขาวสีคุณค่าไปสังคมเราก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเลวมากกว่าคนดีแต่จริงคนดีมากกว่าคนเลวแต่ก็มากกว่าหลายเท่านะเพียงแต่ว่าตัามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการด้วยยุโยโยนด้วยประการต่างๆเนี่ยทําให้คนเลวจิตใจก็อ่อนไหวมากกว่าเดิม แล้วคนที่ดีไม่ดีพอนะฮะคือดีแต่ไม่ดีพอมันก็ตั้งฐานอารมณ์เหล่านั้นไว้ไม่ได้บางทีก็ลุกอํานาจแก่อารมณ์ไปทําอะไรในรูปของการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขึ้นก็เป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐบาลเองเนี่ยต้องสนักในเรื่องตรงนี้ เด็นความสาคัญในการพัฒนาคุณธรรมของคนความร่ารวยด้วยทรัพย์ภายนอกนั้นพียังไงเราก็กินข้าวได้ทีละคำมอนะหรือรวยยังไงมันกินได้ทีละคำก็นั้นเองแต่คุณธรรมภายในนั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นโดยเฉพาะฮิริโอตปะเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัทธาทนังจีรัฐนังฮิริโอตโอตปะธนัเนี่ย คือทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ที่มีความจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นภายในจิตใจของบุคคลให้เป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีในด้านต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตั้งฐานต่ออารมณ์ที่มากะแทกกระทันก็ไม่วันไหวไม่อ่อนไหวไม่กระเทือนได้เนี่ยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ก็ต่อไปถามว่าจุดดีนของการศึกษาไทยอยู่ที่ไหนและเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันด์น่นะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่ก็ต้องการพัฒนาความรู้พัฒนาคุณธรรมของคนให้มีความเจริญเติบโตเหมาะสมแก่ฐานะานรูปของบุคคลเหล่านั้น พูดง่ายๆว่าให้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีก็ความคนที่มีความรู้ดีก็ต้องแสดงว่าสามารถดีแล้วก็มีความคิดดีในขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมข้ากากับการใช้ความรู้ใช้ความคิดใช้ความสามารถก็ทำให้การใช้ทั้งสามประการนั้นออกมาในรูปของการสร้างสรรพัฒนามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองและต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ เขาต่อไปถามว่าผู้จะวางแผนงานกับฝ่ายการคลังทำไมทำงานไม่ค่อยประสานกันมีแผนงานแต่ไม่มีทุนไอ้ทุนน่ะมันมาจากภาษีอกรน่ะนะฮะมันเป็นกระบวนการหนึ่กระบวนการหนึ่งคือการกระบวนการจัดเก็บภาษีมันก็มาจากรายได้ของประชาชนรายได้ของประชาชนมาจากอาชีพของประชาชนมันมันเป็นปฏิยาการหนึ่ปฏิยาการหนึ่ง แต่ว่าไว้วางแผนนั้นแน่นอนเขาก็วางแผนรูๆเฮะมันก็ฝันเฟื่องไปเรื่อยๆแต่ความการคลังนั้นมันต้องรับผิดชอบในยอดเงินก็วางแผนได้แต่เอาเงินมาจากไหนละ่ะก็การทํางานอะไรก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีผู้ดําเนินงานมีคณะทํางานมีงบประมาณแล้วก็มีเนื้อ ง, งานแต่เนื้อ ง, งานกับงบประมาณเนี่ยบางทีเนื้อ ง, งานมัน ใหญ่เกินกำลังของงบประมาณที่จะทำด้วเกินกำลังของคนที่จะกระทำไปคนเรามีสิทธิ์ที่จะขวัญ น, นะครับแต่แต่ว่าใช้ให้ประสานสอดคล้องกันเป็นไปไม่ได้รัฐบาลทุกรัฐบาล น, นะฮทั่วโลกเราเสร็จแล้วจะมีปัญหาที่งบประมาณพูดไปพูดมาก็มีปัญหาที่งบประมาณ คือถ้าเทียบกับผูเ้เศรษฐีแล้วก็สู้เศรษฐีเขาไม่ได้หรอกเศรษฐีเขไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้มากมายแต่เทียบกับรัฐบาลเนี่ยแต่รัฐบาลมันค่าใช้จ่ายมันมากได้เกินเขาเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเงินทั้งนั้นในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้สัปดาห์ไหลกี่ทีล้านกี่ร้อยล้า น, านแต่เงินมันเข้าไม่พอกับรายจ่ายที่จะจ่ายออกไปมันก็เป็นธรรมดาที่ว่า ฝ่ายแผนก็ไฝ่ายค่ังก็ต้องขัดแย้งกันเป็นธรรมดาข้อต่อไปถามว่าครูปัจจุบันครูในปัจจุบันมีความรึอ้ดอ่านมากต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องสนองตอบต่อนักวิชาการซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติผมอยากให้บุคคลเหล่านั้นมาปฏิบัติที่โรงเรียนดูบ้างจะได้รู้ว่า เป็นอย่างไรเป็นอย่างที่เขาศึกษาวิจัยมาหรือไม่พระคุณเจ้ามีความคิดเห็นยังไงที่จริงคนมาทํางานวิจัยเนี่ยนะมาทำงานนักวิชาการเนี่ยต้องผ่านภาคปฏิบัติมันต้องสลับกันไปสลับกันมาได้นะหมายความว่าคนที่อยู่ฝ่ายวิชาการนั้นก็ต้องลงสู่ภาคปฏิบัติได้บ้างแต่พวกปฏิบัติก็มาอยู่ฝ่ายวิชาการบ้างเพื่อเสริมไม่มีความเข้มแข็งทั้งสองด้าน ทีนี้ถ้าปล่อยให้เป็นนักนักวิจาการเรื่อยๆเขคิดฝันอย่างที่ว่าเนี่ยฮะฝ่ายแผนกับฝ่ายกลางครั้งบางทก็ฝันเขาเฟื่องเขาไม่ได้เคยเจอภาคสนามันเหมือนกับคนดูมวยกับคนต่อยมวยนะฮะโดยเห็นว่าคนต่อยมวยนี่จริงต่อยากนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็มีสองมือสองเท้าเหมือนกันแต่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้ต่อกับใครเนี่ย คนที่เชียมวยนี่ยเขไม่ได้ต่อยกับใครเขาก็เห็นว่ามันควรจะทอางงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นได้แต่พอขึ้นไปเวทีแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีมือเหมือนกันเรามีสิทธิต่อยเขาก็มีสิทธิต่อเราดังนั้นถ้าสลับสับเปลี่ยนกันบ้างก็คงจะดีหรอกก็จากการสังเกตก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเนะี่ยคือนักวิจา ก, การก็เป็นนักวิจา ก, การอย่างนั้นเนะ่ย แล้วก็พูดจากตำหนักตำน า, าไม่ได้พูดจากประสบการณ์ตรงภาคสนามหรือภาคปฏิบัติการแต่ว่ามันเป็นการพูดจากประสบการณ์ทางวิชาการซึ่งทำได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองก็ไม่เคยทดลองนะฮะตัวเองก็ไม่เคยทดลองทํานี่ปัญหาที่หน้าวงใหญ่ประการต่อไปก็ ถามว่าถ้าคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการรู้การศึกษาในปัจจุบันเห็นว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขยเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็การจัดเขตพื้นที่ทางการศึกษาบรรเยอะเยอะมากไปแล้วก็เราก็เห็นว่าคนจะได้ดีเป็นดีกันเพราะการนี้นีเยอะ ทีเก้าขึ้นนะฮะทีเก้าขึ้นเนี่ยจะเยอะพวกหัวหน้าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบห้าเขตตรงสามรอยหนึ่งเขตเนี่ยก็เป็นทีเก้ากันไปเป็นแถวอ่ะแต่ยังนึกถึงผลสำเร็จเนี่ยไม่ออกมันอาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้หาสาราเนี่ยยังไม่อ่าน ไม่อ่านเต็มที่ในแก่พระยามัญญาการศึกษาสี่สองก็ยังไม่เคยอ่านจบเพื่ออ่านไปตอนตอนไปแล้วก็ไปมองเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับศาสนาเพราะว่าเหด้านอื่นทึงเรียนไปทังดูไปก็อย่างนั้นเเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรได้แต่ด้านศาสนานั้นเราก็มองด้วยความเป็นห่วงซึ่งมันก็ควรจะ ดำเนินไปได้ด้วยดีนะฮะคือปฏิรูปการศึกษาแล้วมนเล่นศออาสนาด้วยเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะนั่นมาก็มองเฉพาะเรื่องเฉพาะคือดูเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับการศึกษาพูดง่า ย, ยางันนะนทำให้เรามองพวกนี้ไม่ตลอดเหมือนกันข้อต่อไปถามว่าคำพีพระัยดีดกฉบับแรกอยู่ที่ประเทศอะไร ทุโลกชาติจะแบบเดียวกันหรือไม่จะแบบแรกนั้นก็คงจะหายไปนานแล้วนะฮะเพราะว่าที่มันจดจารึกจริงๆเนี่ยมันจดจะรึกสองคราวะร จ, จะแต่ฤทธิลังกาก็คงจะเป่อยหน้าภูพังไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันสองพันสองสามร้อยปีมาแล้วสองพันก็เรียกแบสองพันห้าร้อยสองพันปีก็แล้วกันนะนะ ตรงบรรปีวัสดุที่ใช้จารึกก็คงจะเปื่อยหน้าผูพังไปแล้วแล้วที่สมัยพระเจ้าการนิทกะซึ่งราชาวงศ์กุสานะั่อยู่ที่แต่รับการนิฐานปัจจุบันเนี่ยนะลั่นจารึกไว้ในทองเหลืองก็คงจะไม่เหลือแล้วคือพระไตรปดกไปดกส่วนใหญ่เนี่ยจะตรงกันแต่ไม่ใช่ตรงกันทุกตัวอักษรน่ น, นะมันมีมากมีน้อยมีพิปราคลาดาเคลื่อนมีการจับ ข้าสู่ปัจจัยบิดกไม่เท่ากันก็มีนะฮะเช่นเราเนี่ยเราเราเราจะเอาปัจจัยบิดโดดจริงๆเลยมาเข้าวไว้ในปัจจัยบิดโ่ดถ้าไม่ใช่ปัจจัยบิดโดดเกลื่อนอัตรกระถาหรือคมภีร์ประการพิเศษใดๆต่างๆเนี่ยเราไม่จัดเข้าในปัจจัยบิดโดดบางประเทศเขาก็จัดเข้าไปแต่เนื้อหาแล้วเนี่ยมันลงกันคือเราอยาเอาไว้มันเหมือนทุกคําเลยแต่ให้เนื้อหามันลงกันไว้แค่ไดนะ้มากน้อยก็แตกต่างกันออกไปตามธรรมดา ถือว่าฉบับเดียวกันก็ฝังได้นะเทระวาดก็เทระวาดมายานก็มายาณแต่ในความเป็นมายานกับเทระวาดนั้นโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ไปกันได้แต่ไม่เหมือนกันทุกตัวส่วนเทระวาดนั้นก็เหมือนกันเกือบจะทุกตัวแหละเพราะว่าเคยจัดการสังขยาในจัดถาสังยขยาครั้งที่หกในประเทศพมา่าสมัยท่านอุนุนะฮรัข้อต่อไปถามว่า การชำระประเสริไปดกมีวิธีการอย่างไรครั้งสุดท้ายมีการชำระเมือ่อใดการชำระนี่มันถ้าพูดถึงครั้งสุดท้ายจริงๆที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ประโศตพันธที่ร้อยสิบเจ็ดเก้าสิบแปดคือประเทศพมา่าคือหมายความว่าทุกประเทศในขวนประเสริฐไปดกไปนั่งโต้ทวนกันไปนั่งสอบทานกันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไป ตวนเมืองไทยนั้นเราก็มันทำแบบตรวจปุ๊บอะนะหมายความว่าดูข้อไหนที่มันผิดตัวตัวไหนที่อักษรมันผิดพิมพ์ผิดอะไรรเนี่ยอสอนแตกฮะกก็มีการตรวจปุ๊บทำกันต่อนเนื่องกันมาเนี่ยนะฮะต่อนเนื่องกันมาเฉพาะประเทศไทยเราก็ ถ้าจะเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะฮะสมัยรัชกาลที่ห้าก็มีการชำระพิมพ์ขึ้นมาเป็นคำพีประจบิดดกฉบับชายรามาสยามรัฐแล้วก็พอศห้าร้อยก็ทำชำระแต่ก็แปลออกมาเป็นประจัยบิดกที่ใช้ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแในการต่อมาก็มีการชำระีิวัดมหาทา จัดรูปแบบใหม่เ่นั้นเองนะมันไ ม, ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไราการย่อหน้าวรรคตอนดัองใดต่างๆให้มันลงกันตน่าต่อไปถ้าจะศึกษาประจัยพิดกจะศึกษาได้จากที่ใดบ้างเวลาเนี้ยก็เข้าเป็นซีดีแล้วนะก็ถ้ามีเครื่องเล่นซีดีเล่น c ีดีเป็นก็ซื้อแผ่นซีดีมาแผ่นละพันบาทเท่านั้นเอง สามารถจะศึกษาธรรมะจากภระไตริดกได้เยอะแยะไปหมดเลยมากกว่าภระไตริดกซะอีกนะฮะก็ทำเข้าซีดีไว้แต่ถ้าจะซื้อเป็นเล่มเนี่ยมันก็ตามห้องสมุดต่างๆในนิมนก็มีนะฮคือเขาเคยพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระจกักรศษถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพศขศอ่าออพศอ 2,525 25นะฮะครงรัตนโกศิลป์ครบ200ปีเนี่ยลองครงรัตนโกสิน์ครบรอบ200ปีเนี่ยก็พิมพ์ถวายทั้ง500ชุดแต่เวเนียหนังสือพระไตรเดกชุดเนี้ยมันเผยแพร่ไปเป็นก็เรียกว่าหลายพันชุดแล้วนะแล้วก็ของกรมการศาสนาของหมหาจุฬาอะไรต่ออะไรก็ตามห้องสมุดนี่ก็มีทั้งหมดเป็นใบแต่ห้องสมุดเด็กเล็ก ถ้าข้อสมุด ร, ระดับมาวิทยาลัยล้วก็ต้องมีประไตรปิฎกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะศึกษาก็สามารถศึกษาได้แต่ว่าเอาย่อๆก็หาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพที่เขามีพิมพ์เผยแพร่อยู่ที่มูลนิธิมหาอุขุราติยาลัยเนี่ยนี่ตกเล่มมาสองร้อยเล่มหนามากเล่มใหญ่มาก แต่เป็นหนังสืออื่นเน้วขายเป็นพันๆนะฮนะแต่ น, นี่ก็เป็นพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราคาทุนคือว่ามันก็เกินทุนไปนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าค่าบริการะอะไรยเยอะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาอ่านหัวข้อทำหลักธรรมต่างๆ ไ, ได้ทำอย่างไรหรือมีวิธีการสอนให้อย่างไรให้คนที่ผิดศีลข้อสาไม่รู้จักสมนึกตัวเอง เราไม่รู้นะฮะว่าใครเป็นคนผิดศีลข้อที่สามหรือไม่เนะี่ยแล้วการจะพูดอะไรก็เข้าตรงๆเนะี่ยมันไม่จะเรื่องง่ายนะฮะมันมันไม่มีสักขีพยานที่จะไปบ่งบอกว่าเขาละเมิดศีลข้อที่สามมาแต่เราไปว่าเขาดีไม่ดีเพราโกรธมันก็เกิดเรื่องกิดดาวนะเพราะงั้นถ้าจะสอนก็สอนคุมๆไปก็ อ, อธิบายทุกศีลนั่นแหละนะทุกข้อนะนะั่นแหละ แต่เขาสำนึกเขาก็สำนึกถ้าไม่สำนึกบังคือไม่สำนึกมันไม่รู้จะว่าอย่างไงอ่ะเราก็บังคับจิตใจใครไม่ได้นิพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตานะฮะนิพานังปรามังสุญญงนิพานเป็นว่างอย่างยิ่งนะฮะก็อนัตตก็คือคือไม่มีตัวต้นนะว่างไม่มีอะไรเอ่อแต่ว่าการจะเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องอัาตตาก่อน อัตตาเนี่ยมันเป็นความเชื่อว่ามันเป็นหน่วยย่อยของวิญญาณสากลเรียกว่าปรมาตามันบ้างมหาตามันบ้างนะเรียกว่าชีวตตมันบ้างอะไรอะไรเนี่ยนะก็เป็นความเชื่อในลทัทธิของพราหมณ์เราถือว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นหน่วยย่อยที่แยกมาจากตัวเนี้ยปรมาตามัน แล้วก็เป็นตัวตนที่ถาวรยั่งยืนถึงโอกาสหนึ่งก็จะกลับไปอยู่รวมกับปรมัตถมันต่อไปแย่าเราทุกคนนี่นะต่อไปจะกลับไปอยู่รวมกับปรมาตมันทั้งหมดและจะอยู่เป็นนั่นชั่วงนิรันดรก็แสดงว่าเป็นของแท้ยั่งยืนแต่พระพุทธเจ้าทรงจัตสรู้ทรงเห็นความจริงว่ามันเป็นความเข้าใจผิดมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่า มันมีชีวิตที่มีอายุยืนยืนนี่มันมีนะเช่นพรหมก็ดีพวกสัตว์นรกก็ดีพวกเทวดาก็ดีเนี่ยอายุยืนยืนนี่เยอะเทียบกับมนุษย์แล้วยาวยืนมากแต่ว่าไม่ใช่นิรันดร์ถึงจุดหนึ่งก็ต้องตายคล้ายๆกับปูกเขาเล็กๆกับปูกเขาใหญ่ๆเนี่ยมันก็พังด้วยกันแหละแต่กูกเขาใหญ่มันก็พังช้ากว่ากระปุกเล็กๆก็พังไปก่อน ต่อไปกราผู้แก่ใหญ่ก็ต้องพังนั่นแหละเพราะงั้นคนเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงก็อายุยืนอายุสั้นในถึงจุดหนึ่งก็ต้องตายเป็นธรรมดาเพราะงั้นความเป็นอัตราตัว ต, วตวนที่เที่ยงแท้อย่งยืนอย่างนั้นยังไม่มีเมื่อคนหนึ่งก็พูดว่าเป็นอัตราพราะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตรงกันข้า ม, มนะฮะเพราะว่าที่ทรงค้นพบเนี่ยมันตรงกันข้ามกับอัตราก็เรียกว่าอนัตตา อนัตตาจริงเป็นคำเรียกนิพพานคำหนึ่งในเป็นร้อยร้อยคำนะเป็นร้อยรอยคำแล้วก็เรียกอนัตตาอยู่คำหนึ่งแท่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าสุญญตาไม่ไมก็ไม่ก็เรียกว่าอนัตตาจะเรียกว่าสุญญตาสุญญตาอนัตตาความหมายเดียวกันนะเลยใช้แทนกันได้ ปัจจุบันเป็นมีนโยบายให้ข้าราชการครูทําผลงานเพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพครูทําให้ครูไม่มีเวลาสอนผลกระทบต่อ น, นักเรียนกระคุณได้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ก็รู้สึกจะคล้ายๆกับปัญหาที่เคยตอบมาในวันก่อน วิชาชีพครูนั้นเป็นวิชาของบุปการีนะเป็นรูปผู้อภิบาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาอภิบาลเป็นการสงเครองโนเคราะห์แก่เยาวชนของแผ่นดินมันถ้าคิดเป็นวิชาชีพมันจะมองความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ก็รวเองแต่ถ้ามองเป็นผู้อภิบาลเนี่ยมันจะทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพื่องานนะเพื่อเยาวชน เพื่อเยาวชนได้มีความรู้ความประจักที่ถูกต้องํามหลักวิชาการทีตนจะต้องให้การศึกษาวปรุงเพราะงั้นมันเป็นปัญหาที่น่าคิดว่าถ้าเราจะงัวแต่งอเป็นเรื่องของวิชาชีพเป็นครูต้นแบบเป็นวิชาชีพครูเป็นอาชีพครูมืออาชีพอะไ ร, ต, ะไรต่าง และอย่างมันไม่ค่อยเหมาะสมแกสถานะภาพของความเป็นครูคืองานเหล่าเนี้บางงานสังคมสงเคราะห์ก็ดีงานแพทย์งานพยาบาลก็ดีแล้วก็งานของครูบาอาจารย์ตลอดถึงงานของพร้าเนี่ยไม่น่าจะเป็นอาชีพไม่น่าจะมองในฐานะเป็นอาชีพคือมันก็เป็นอาชีพระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะให้สําคัญระดับอาชีพมากๆควรจะมองไปในแง่ที่มันเป็น งานบริการสังคมเหนือตนคือให้ความแก่สังคมนั้นเหนือกว่าตนเองและก็พร้อมที่จะทํางานด้วยความเสียสละด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมอยากให้แก้ร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับอบอตอให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงหน่อยอย่างน้อยคนจบ ป, ปริญญาตรีอบอตอบางคนเรียนป .4 เกือบจะไม่จบ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิด น, น, นะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะว่าออคนที่จะเป็นผู้ปกครองคนอื่นจะต้องมีความรู้ดีกว่าคนที่ตนปกครองเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่า อ, อบอตอมีส่วนในการรับผิดชอบบริหารครูขนาดไหนก็ยังไม่รู้นะฮะต่อไปนี่เขตพื้นที่การศึกษาจะถูกครอบงำโดย อ, อบอตอมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยยังไม่รู้ แต่ว่ามันคงจะมีปัญหาขัดแย้งกันในเขตพื้นที่การศาึกษาคงจะหลายๆเขตนะะไม่ใช่เขตใดเขตหนึ่งเพราะอบตนี่เขาอยู่ทุกตำบล น, นี่นะซึ่งโรงเรียนก็เขตพื้นที่การศาึกษาก็มีเรียกว่าเกือบทุกตำบลเหมือนกันเพราะว่าเขตหนึ่งมันก็ มมีประชากรประมาณเท่าไรแสนห้าอเนีน่ยแต่แต่เนี้ยคล้ายๆก็เลือกตั้งผู้แทนคนหนึง่งเออซึ่งอบมาตอเองก็ต้องปรับตัวเองแต่ว่าการปรับตัวเองมันก็ต้องปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการอะไรๆขึ้นไปนะฮะไม่ใช่ว่าก็ปรับเฉพาะความรู้แล้วก็รักไม่ได้ให้สวัสดิการอะไรเาขาเขาก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็คาดหวังนะฮะคาดหวังว่า คงจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นอบอตอก็ต้องรู้เหมือนกันว่าภารกิจตรงนี้ไม่เหมาะสมรับคนที่ไม่มีความรู้หรอกมันต้องเอาคนที่มีความรู้เข้ามาจริงๆจริงจสามา ร, รมาทำงานให้สมเอสรู้่วงไปได้ ด, ดีทั้งฟังทั้งหลายใต้รมวงระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นครานี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไปบุญในธรรมยงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี